มีชายหนุ่มคนหนึ่งไวใเด็กนี่ก็เรียกว่าอบอุ่นนะมีความสุขเรียนเก่งด้วยนะได้เรียนในโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศจบแล้วก็เรียนต่อนะติดแพทย์แล้วก็เรียนได้ดีด้วยไม่มีปัญหาในการเรียนแถมมีความสุขกับการเรียนเรียนจบแล้วก็ไปเรียนเฉพาะทางอีกนะก็เป็นวิชา ที่ตัวเองชอบเป็นสาขาที่ตัวเองถนัดนะเป็นวิชาเฉพาะทางจบแล้วนี่ก็ยังเรียนต่ออีกนะปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูลนะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องแพทย์โดยตรงนะแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะต่อการเป็นแพทย์ของเขาจบแล้วก็ไม่ใช่เป็นแพทย์อย่างเดียวนะเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยแล้วก็มีเพื่อโรม ง, งานที่ดี ตอนหลังก็ได้เจอคนที่ใช่แล้วก็เรียกว่าสมหวังในความรักเต็มตัวจะแต่งงานาซื้อบ้านไว้แล้วก็เรียกว่าชีวิตนะของชายหนุ่มคนนี้ซึ่งตอนนี้ยี่สิบแปปีนี่ก็เรียกว่าราบรื่นแล้วก็มีความสุขมีการงานที่มั่นคงมีอนาคตที่สดใสแล้วเขาก็บอกมีเพื่อนนะ ที่ดีๆมากมายอาจารย์ที่น่าเคารพแล้วก็มีคนรักนะที่คิดว่าใช่แล้วล่ะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์มาเนี้ยนะก็พวอตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ใช่มะเร็งธรรมดานะมะเร็งปอดแถมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย ก้อนมะเร็งมันก็กระจายไปตามร่างกายแล้วนะแม้ทั้งสมองเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่พวกตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายนี่มันเหมือนโลกทั้งโลกแตกสลายเลยนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยนะกำลังไปได้ดีอนาคตก็กำลังจะสดใสแต่ว่าเขาตั้งหลักดีนะ ตอนแรกที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าโลกกำลังจะแตกสลายต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่ก็ตั้งสติได้ไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายว่าทำไมเนี่ยฉันต้องมาเจอแบบนี้ฉันเพิ่งแค่อายุ28่บุหรี่ไม่สูบนะเราก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะนิดๆหน่อยๆดูแลสุขภาพอย่างดีออกกำลังกาย กินอาหารสุขภาพด้วยเพราะเป็นหมอนะแต่แล้วต้องทำไมต้องมาเจอโรครายแบบนี้ก็ไม่บ่นนะไม่เวไวยตีโปรตีพายนะกลับมองว่าช่วที่ผ่านมาของฉันเนี่ยนะมาเป็นช่วที่ดีเยี่ยมมากเลยไม่มีความรู้สึกเสียใจกับช่วที่ผ่านมาจะให้ย้อนกลับไปทำอะไรใหม่เนี่ยไม่มีความคิดเลยเพราะว่า ทุกอย่างก็ดีหมดไม่มีเรื่องที่ต้องเสียใจไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาเลยนะในจากน้ำเสียงของชายหนุ่มคนเนี้ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาจารย์แพทย์มาได้สองาเดือนแล้วกับมีความรู้สึกพอใจกับช่วที่ผ่านมาแล้วก็สุภาเชื่องตัวเองมันดีเยี่ยมแล้ว นับเป็นการวางใจที่น่าชื่นชมมากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอป่วยกายโดยเพราะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะแถมระยะสุดท้ายด้วยซึ่งก็หมายความมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่เกินปีสองปีหรืออาจจะสั้นกว่า น, นั้นหลายคนก็บน่นวยอยวายตีพยตีพายทำไมช่วงฉันมันเลวร้วายแบบนี้ คุณหมอวันนี้แไม่ไม่มีความคิดแบบนี้เลยนะกับรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาของฉั น, นมันมันยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็ส่วนชีวิตของตัวเองเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายในการวางใจแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์มากแนะม่เป็นการซ้ําเติมตัวเองและที่ยิ่งกันนั้นคือว่านอกจากจะไม่โวยวายตีโพยตีพายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ตรงเงินข้ามกับรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาของฉันมันดีแล้วมันยอดเยี่ยมแล้วก็ยังนึกถึงคนอื่นด้วยนะว่าเนี่ยในเมื่อตัวเองเนี่ยมีเวลาหรืออยู่ในโลกนี้ไม่นานเป็นแพทย์ก็คงจะทำการรักษาคนไม่ได้มากเป็นอาจารย์แพทย์ก็คงจะสอนนักศึกษาแพทย์อีกได้ไม่นานก็อยากจะทำอะไรที่มีคุณค่าสาหรับคนอื่นนะ ก, ก็เลยเนี่ยอยากจะเอาเรื่องราวของตัวเนี่ยนะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์นไม่่อจะเป็นประสบการณ์ชีวิตความฝันความสุขรวมทั้งความทุกข์ด้วยนถือว่าเป็นวิทยาทานเพราะว่าคิดว่าชี้องตัวเองเนี่ยมันคงจะมีประโยชน์นะที่คนอื่นจะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นโอกาส ดีนะที่ได้ให้กำลังใจกับคนที่มีชีวิตอยู่นะซึ่งอาจจะรวมเป็นคนที่ป่วยนะด้วยโรคที่ร้ายแรงนะแบบคุณหมอนี่หรือว่าบางคนอาจจะป่วยด้วยโรคที่เบาบางกว่า น, นี้หรือบางคนที่ไม่ไม่ป่วยเลยนะแต่ว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง พอได้มาฟังเรื่องราวของคุณหมอคนนี้นะซึ่งอาการหนักมากเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความม้สึกพึงพอใจกับชีวิตแล้วก็พร้อมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคนอื่นเนี่ยก็คงจะมีกำลังใจนะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าอ่ารู้จักทำใจยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่า ความทุกข์ของตัวเองมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณหมอคนนี้นี่ขณะดเขากำลังจะตายนะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ว่าก็ยังยิ้มได้นะเปรียบเทียบนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับการ์ดนะการ์นี่ก็คือไพ่นั่นแหละนะที่ผ่านมาก็จวดได้ไพ่ที่ดีนะ จั่วไพ่แต่ละใบจั่วการแต่ละใบนี่มันได้แต่การที่ดีนะมี ค, มครอบครัวที่ดีมีความสุขในวัยเด็กได้เรียนโรงเรียนที่ดีการเรียนก็ไม่มีปัญหาได้เรียนแพทย์นะแล้วก็ได้เป็นอาจารย์แพทย์นะโอ้เป็นการ์ดนะที่มันดีๆทั้งนั้นเลย รวมทั้งการที่มีการงานที่มั่นคงนะมีมิตรสหายมากมายการ์แต่ละใบที่จั่วมานี่โอมันดีทั้งนั้นเลยแต่ละวันหนึ่งก็จเจอการที่นึกไม่ถึงนะก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ท้อนะเพราะว่าคิดว่าเนี่ยทำยังไงจะใช้การ์ดใบนี้หรือจะเล่นกับการ์ใบนี้ให้มันดีที่สุดนี ก็เลยเป็นอาารมาณที่คล้ายกับผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะเป็นอาจารย์ที่อเมริกาเ่แกบอกว่าชี้คนเราเนี่ย ม, มือการเล่นไพ่นะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ไพ่ใบที่ไม่ดีไพ่ใบต่ำๆแต่แทนที่เราจะโวยวายตีโพยตีไพ่ทำไมได้ไพ่ใบนี้มานะจะดีกว่านะถาว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ย ทำงางจะเล่นไพ่ในมือให้มันดีที่สุดตรงที่สำคัญกว่าเพราะบางคนได้ได้ไพ่ใ บ, บ, บต่าๆนะแต่ว่าสามารถที่จะชนะได้นะบางคนมีไพ่ใบดีๆไพ่ใบใบสูงๆแต่ว่าแพ้คนที่มีไพ่ใบต่านะแต่ถ้าเขาไม่โวยวายว่าทำไมฉันได้ไพ่ใบนี้แต่ว่าตั้งใจทำให้มันดีที่สุดก็อาจจะเกิดผลดีตามมาก็ได้กับชีวิตของตัว เมื่อคนที่เป็นแม่ครัวถึงแม้ว่าจะมีเครื่องน้อยอุปกรณ์ก็น้อยแต่ถ้าไม่บ่นไม่บวยวายนะว่าทําไมฉันมีแค่นี้เองตั้งใจนะทำครัวให้ดีที่สุดนะอาหารที่ออกมาจะอร่อยนะรสเลิศนะกว่าอาหารจากแม่ครัวที่มีทุกอย่างครบแต่ว่าไม่มีความใส่ใจหรือาบางทีก็จะเอาแต่บ่นว่าทําไม ไม่ได้เครื่องปรุงที่มันมีคุณภาพแบบนี้นะบ่นวายวายตีโพตีพายก็เลยทิ้งโอกาสนะที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นจากวัตถุดเดิบรูอปอุปกรณ์ที่ได้มาชื่อเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ได้ไพ่ใบที่ไม่ดีมาแต่แทนที่จะบ่นวายนะเราตั้งใจทําให้มันดีที่สุดก็อาจจะเกิดผลดีตามมา